ซีดีรวมธรรมบัญญายในปีพุทธศักราช2549ชุด ร, รมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาพรปออประยุตโตวัดยา น, นเวศั ก, กวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17 100ปีชาตการท่านพุทธทาตส บรรยายเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เจริญพรวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านผู้ที่ได้มาร่วมงานทุกท่านทั้งบรระชิตและครืหัดซึ่งมาประชุมกันในที่นี้ก็ด้วย จิตศรัทธาแล้วมีน้ําใจเป็นบุญเป็นกุศลศรัทธานั้นก็กว้างขวางทั้งศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในพระจนตรใยศรัทธาในท่านพุทธทาสศรัทธาในธรรมคําสอนของท่านมีน้ําใจกุศลก็คือว่าตัวเองก็จะเพืพฤติปฏิบัติเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะคิดต่อไปที่จะเผื่อแผ่ไปกระทําการต่างๆในทางที่จะช่วยกัน ประพฤติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติสังคมให้โลกนี้มีสันติสุขต่อไปเนี่ทั้งหมดเนี่เป็นเรื่องที่ดีงามน่าอนุโมทนาทั้งสิน้นนี่งานล้ออายุปีนี้เป็นปีสําคัญที่บอกว่าปีที่100หรือครบ100ปีแล้วก็เป็นปีที่ทางยูเนสโกได้ประกาศให้หลวงพ่อพุทธทาสก็เป็นบุคคลสําคัญของโลก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะปลื้มปิติมีความยินดีทั่วกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสาหรับเมืองไทยด้วยแต่ว่าที่จริงมันก็ไม่ควรจะแค่เมืองไทยความจริงก็คือประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นก่ทั้งโลกนั่นเองแต่ทั้งหมดนี้เราไปมองในแง่ของยูเนสโกที่เขาประกาศความจริงมองมาที่ตัวท่านเองก็ชัดอยู่แล้วที่ท่านเรียกชื่อท่านว่าพุทธทาส อันนี้ก็ได้เคยพูดแล้วว่าเหมือนกับแสดงเจตนาแล้วว่าท่านจะสนองงานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าให้พระสงค์หรือชาวพุทธเนี่ยแสดงธรรมประกาศธรรมเพื่อผูชนะอตาย ะ, ะผูชนสุขายะโลกาโุ ก, กรรมปายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากด้วยเมตตาการุณิกับชาวโลกอันนี้เป็นความตั้งใจหรือเป็น จุดมุ่งหมายของท่านก็เรียกว่าเป็นกุศลเจตนาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านก็อุทิศชีวิตของท่านเพื่อ ง, งานนี้มาตลอดเวลาซึ่งการที่ยูเนสโกประกาศก็เป็นเพียงว่ายอมรับให้เป็นที่รู้กันกว้างขวางออกไปแต่ตัวที่แท้จริงก็คือตัวเจตนาที่อยู่ในใจของท่านนั่นเองนะแล้วก็ที่ออกมาสู่การปฏิบัติต่าง แล้วออกมาเป็นธรรมะคําสอนที่ว่าจะนําไปใช้ประโยชน์แล้วตัวประโยชน์ที่แท้ก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าคนทั้งหลายตั้งแต่ลูกศิษย์เป็นต้นไปเนี่ยจะได้สนใจศึกษาเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์นําไปเ พ, พ, พืปฏิบัติประโยชน์ที่แท้ก็อยู่ตรงนี้ UNES สโกจะประกาศหรือไม่ประกาศก็เท่ากับ ว, ว่าความสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้เองแต่ยังไงก็ตามก็ถ้ายูเนสโกประกาศนีน่ก็ มาช่วยหนุนเหมือนกับว่าให้เรามีกำลังมากขึ้นก็เป็นว่ายูเนสโกประกาศก็คั้นหนึ่งแต่ว่าตัวแท้ตัวจริงก็อยู่ที่ท่านพุทธทาสเองนี่ท่านพุทธทาสเองที่ท่านมีเจตนาทำงานอุทิศชีวิตเพื่อสนองงานของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาปัจจุบันว่าอุดมการเรเรียกว่าอุดมการของ พุทธศาสนาก็ได้ดวงการพุทธศาสนานีว่าไปแล้วก็มีสองระดับหรือจะแยกเป็นสองฝ่ายก็ได้อันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญซึ่งแสดงความเป็นปัจจัยอาศัยกันระหว่างบุคคลกับสังคมเป็นตน้นหรือตนเองกับผู้อื่นหลักการนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคือเรามีคำสอนที่ว่า ให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนี้ถ้าเรามาแยกตามวิธีนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของบุคคลก็เป็นจุดประสงค์ของชีวิตของแต่ละบุคคลที่ว่าจะต้องบรรลุนิพพานแล้วเรามองให้ดีว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมารับกันก็คือที่พูดเมื่อกี้ก็คือการที่บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกแล้วสองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์กันว่า อาบุคคลเนี่ยจะต้องนิพพานทำอะไรบุคคลนิพพานก็หมดตัวตนแล้วต่อจากนั้นบุคคลนั้นก็จะทำงานเพื่อโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่หู้ชนได้เต็มที่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป้าหมายใหญ่มาบรรจบกันเคยใช้คำว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกถ้าบุคคลไม่นิพพานเนี่ยทำการเพื่อโลกไม่ได้เต็มที่ยากแล้วเป็นไปตามระดับถ้าบุคคลนี้ไกลนิพพาน มีกิเลสมากไอจะทําการเพื่อโลกเนี่เป็นอันไม่ต้องไปหวังเห็นกับตัวเต็มที่เลยเอาแต่ตัวเอาโลกมาเพื่อตัวเท่านั้นนะมันจะตรงข้ามเลยเอาไอทั้งโลกผลประโยชน์ะะอะไรในโลกหาทางเอามาให้ตัวเองหมดนี่อันนี้คือคนไกลนิพพานก็ทําการเพื่อตัวเองใช่ไหมบุคคลไกลนิพพาก็ทําการเพื่อตัวเองทีนี้พอเขานิพานก็ไม่มีตัวตนที่จะต้องสนองแล้ว เราจะเรียกว่าดับตัวตนหรือรอะไรก็แล้วแต่ก็ทํางานเพื่อโลกนักคนที่จะทํางานเพื่อโลกได้เต็มที่ก็ต้องเป็นคุณบุคคลที่นิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสพุทธโอวาทนี้ครั้งแรกแก่ภาษาวกที่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าตอนนี้ทํางานชนิดที่เข้มขน้นเรียกว่าตั้งภาษศาสนา นี่ เ, เราใช้คําเป็นสมมติมาตั้งพระสัจธรที่จริงก็คือไปทํางานน่ะเพื่อประโยชน์สูงกับประชาชนจะไปทําได้ผลจริงนี่มันก็ต้องใช้คนที่บรรลุผลจุดหมายสูงสุดแล้วก็คือนิพพานแล้วตัวเองไม่มีแล้วเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ต้องทําเพื่อตัวเองบุคคลที่บรรลุจุดหมายของพุทธศาสนานี่ท่านมีสับบรรยายเยอะแยะนะอันหนึ่งว่าอนุปัตตะสัทโธ แปลว่าผู้มีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงโดยลำดับแล้วบรรลุถึงโดยลำดับแล้วก็เลยต่อไปนี้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกแม้แต่เพื่อความสุขเพราะความสุขนี้มีอยู่ในตัวเองเป็นคุณสมบัติประจําตัวคนทั่วไปนี่ยังมีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอยู่แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังต้องฝึกหัดอบรมพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีปัญญาจเจริญเต็มที่แล้วจะได้บรรลุโพธิญาณ เพราะฉะนั้นพระโบธิสัตว์เนี่ยก็เลยยังไม่เป็นอริยบุคคลเป็นปุถุชนก็เพราะอย่างเงี้ยก็คือยังมีประโยชน์ตนที่ต้องบรรลุถึงอยู่ฉะ น, นั้นท่านก็เสียสละทําความดีต่างๆเพื่อจะบรรลุประโยชน์ตนเนี่ยประโยชน์ตนก็คือการที่ว่าบรรลุนิพพานบรรลุนิพพาก็คือหมดตนให้ไม่มีอะไรไม่มีตัวตนที่ยึดถือแล้ววันนี้พอบรรลุนิพพานไม่มีตัวตนไม่ก็บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ประโยชน์ตนก็คือการทําตนนี่ให้พัฒนาให้มีศีลมีสมาธิปัญญาเต็มที่หมดทุกข์หมดกิเลสนี่ถือว่าประโยชน์ตนสูงสุดบรรลุประโยชน์ตนไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสความสุขก็อยู่ประจําตัวแล้วไม่ต้องหาความสุขแล้วไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองก็ความหมายอันหนึ่งที่สําคัญก็คือนี่แหละผู้ที่เป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานก็คือผู้บรรลุประโยชน์ตนไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกแม้แต่เรื่องความสุขเพราะมีความสุขอยู่กับตัวเอง พอไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองแล้วทีนี้มันก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมุ่งไปที่ว่าให้ท่านเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์เสก่อนตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วท่านก็ออกเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสจรัฐพิขเวจาริ ก, กังว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมากด้วยเมตตาการุณย์กัชาวโลกนี่คือวาทธาเริ่มต้นในการประกาศพระศาสนาไปเพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกไม่ใช่ไปเพื่อให้ใครเปลี่ยนศาสนานะ ใช่ไหมในพุทธาศาสนาไม่มีคํานี้มาไปเพื่อไปเปลี่ยนาศาสนาคนไม่มีมีแต่ไปเพื่อประโยชน์สุขแกเขานะีประโยชน์สุขแกชาวโลกไปทําให้เขาหายทุกข์ให้เขาอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเนะนี่ยนิพพานเหล่านั้นนี่ก็ไปอันว่าไม่มีอะไรบ่วงผูกรัดและพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยก็เช่นเดียวกับเราเนี่ยไม่มีบ่วงนะทั้งบ่วงทิพ บ, บ่วงมนุษย์ท่านใชคําว่าอย่างนั้นนีก็เป็นอิสระเต็มที่แล้ว นั่นให้จาริกไปอย่างที่ว่าเพื่อประโยชน์สุกชาชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเนี่ยแล้วยังแถวมว่าให้ไปทางหนึ่งองค์เดียวไม่ให้ตายไปซ้ําทางกั น, เ, นเรียกว่าบุกเดีย ว, เ ร, ยวเรียกว่าต้องใช้ความเพียรต่อสู้เต็มที่เลยเสียสละเต็มที่ทั้งทานที่ตอนนั้นคนเขายังไม่รู้จักพุทธศาสนาในศาสนาเก่าก็ครอบงำสังคมอยู่เต็มที่เนี่ยนี่คือ ว่าต้องอาศัยคนที่นิพพานจึงไปทําการเพื่อโลกได้เต็มที่เอาละทีนี้นี่เป็นขั้นอุดมคติอุดมคติเพื่อบุคคลก็นิพพานแล้วอุดมคติเพื่อสังคมก็ทําการเพื่อโลกแล้วสองอย่างนี้ก็มาหนุนกันเมื่อบุคคลนิพพานก็ทําการเพื่อโลกได้เต็มที่แต่ทีนี้ในระหว่างนี้เมื่อยังไม่สําเร็จแหละเมื่อยังไม่บรรลุนิพพานก็คือว่าก็ฝึกตนไปฝึกตนก็ได้ใจศึกขา พัฒนาสีสมาธิปัญญาพัฒนากายวาจาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาพัฒนาไปทีนี้การพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือการเจริญขึ้นของประโยชน์ตนเมื่อเรามีศีลมีจิตใจดีขึ้นมีสติสมาธิดีขึ้นมีความเพียรมีความเข้มแข็งมีจิตใจเป็นสุขขึ้นมีปัญญามากขึนท่นเรียกว่ามีประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้ ไม่ใช่ประโยชน์เพียงแค่เงินทองทรัพย์สิสภนภายนอกอันนั้นถ้าไม่ถือเป็นประโยชน์ตนอันนั้นท่านเหวี่เป็นปัจจัยที่จะมาหนุนให้เกิดประโยชน์ตนถ้าคนรู้จักใช้เงินทองทรัพย์สินเป็นต้นมาช่วยหนุนในการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของตัวเองก็แสดงว่าใช้ปัจจัยถูกต้องถ้าใช้ไม่เป็นมันก็กลายเป็นโทษไปไม่ถือเป็นประโยชน์ตนเพราะาไอ้สิ่งเหล่านั้นเมื่อใช้ผิดมันเป็นโทษมากกว่าไม่ใช่เป็นประโยชน์นี้ประโยชน์ตนที่แท้ก็คือนี่แหละเราก็ต้องพัฒนา คุณภาพคุณสมบัติในชีวิตของเราให้ศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดีขึ้นมีคันจานใช้ตาหูจมูกลิ้นดีขึ้นนะได้ประโยชน์ได้สติปัญญาอะไรต่างๆแล้วเนี้ยคุณสมบัติทางจิตใจทางปัญญามันจริญเพิ่มผูนี่ว่าประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นนี่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงทีนี้พอเรามีประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์ผู้อื่นได้มากขึ้น อันนี้ตอนนี้สัมผัสแหละอันนี้เราไม่พูดถึงจุดหมายขั้นสุดท้ายในระหว่างฝึกตนไปนี่แหละเราพัฒนาไปเท่าไรเราก็ยิ่งสามารถทําประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นแล้วการทําประโยชน์แก่ผู้อื่นก็กลายเป็นการพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นทําประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมพัฒนาทักษะในทางกายวาจาพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นพัฒนาการรู้จักพูดรู้จักเจรจา จะไปทำอะไรให้แก่สังคมได้ผลมันก็ต้องฝึกสิ่งเหล่านี้อาการที่ไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเราไปช่วยเขาไปทำทานเราก็ฝึกตัวเองเราก็พัฒนาตัวเองจิตใจเราก็ดีมีคุณธรรมมากขึ้นไปด้วยนั่นการทำผู้ผู้อื่นก็เป็นการทำเพื่อตนเองไปด้วยก็เป็นการพัฒนาตนเองก็ทำประโยชน์ตนถ้าทำประโยชน์ตนได้ดีประโยชน์ตนยิ่งเจริญก็ยิ่งสามารถทาประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้น อ้าวมันก็กลับมาหนุนก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วเสร็จแล้วสังคมที่อยู่กันดีอยู่ก็เรียบร้อยมีศีลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อตการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นมันก็เลยหนุนกันประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาพระพุทเจ้าจะสอนหลักการใหญ่อีกคู่หนึ่งก็คือเนี่ยก็คือประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นที่ไหนที่ไหนก็ตัดอย่างเงี้ยบางทีก็ตัดไป็สองขั้น สํานวนบางแห่งก็บอกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นยังเบียดเบียนตนนี่บอกว่าไปกินข้าวอร่อยอร่อยบางทีเป็นเบียดเบียนตนก็มีนะไปกินอาหารมือละหมื่นว่าเงินนะเสร็จแล้วปรากฏว่าหนึ่งเบียดเบียนตนทางทรัพย์แต่ว่ามันไม่เท่านั้นเบียดเบียนชีวิตร่างกายที่แท้เลยใช่ไหมเพราะว่าอาหารไอหมื่นบาทนั้นมันได้แต่อร่อยมันเป็นโทษ ไม่เป็นผลดีต่อชีวิตเขาตัวเองอย่างนี้ก็เรเบียดเบียนตนนะคนทั่วไปนึกว่าทําประโยชน์ตนนนแน่แม้แต่เรื่องประโยชน์ตนคนดนี้ก็ไม่เข้าใจก็เข้าใจไปว่าโอ้ฉันทําประโยชน์ตนฉันไปนะหาเงินหาทองได้ฉันไปกินเสพ บ, บริโภคอะไรตอนอะไรไปดูการบันเทิงเล่นเกมอะไรต่างๆนี่ประโยชน์ตนใช่ไหมที่แท้ที่ไหนได้เบียดเบียนตนเข้าไปแล้วนะี ดังนั้นท่านไม่ถือเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ต้องเกิดคุณสมบัติที่ดีงามเกิดการพัฒนาในชีวิตชีวิตของตัวเองก็ดียิ่งขึ้นนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปข่วงไม่ต้องไปรังเกียจที่จะบอกว่าฉันทําประโยชน์ตนนี้คนเดเนี้พะไม่เข้าใจคําว่าประโยชน์ตนก็เลยเกลียดระวังไม่ใช่เกลียดตัวเองนะเอาแต่ว่าไม่กล้าพูดนะระวังพยายามเรียกว่าฉันนี่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนนะเพื่อแสดงว่าฉันไม่เห็นแก่ตัว เนี่ยดูสิจะเป็นนักการเมืองอะไรก็บอกว่าฉันไม่เอาฉันไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ตนใช่ไหมพยายามเลี่ยงและเสร็จแล้วก็มาเถียงกันคนอื่นก็บอกโอ้เนี่ท่านเนี่ยเอาเพื่อตัวเองเท่านั้นเองแต่ตัวเองก็เถียงว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนก็เถียงกันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเข้าใจหลักที่แท้แล้วเนี่ยพูดได้เต็มที่เลยบอกฉันจะทําเพื่อประโยชน์ตนใช่ไหมเออถ้าเป็นนักการเมืองผู้บริหารประเทศชาติทําประโยชน์ตน ก็พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมทำสิ่งที่ดีงามทําให้ชีวิตเจริญงอกงามด้วยศีลสมาธิปัญญาจิตใจก็ดีขึ้นมีความสุขที่ประณีตขึ้นมีปัญญามีความรู้เข้าใจดีขึ้นและก็เพราะว่าฉันทําประโยชน์ตนพัฒนาประโยชน์ตนประโยชน์ตนของฉันเพิ่มขึ้นเนี่ยฉันจะสามารถทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติประชาชนได้มากขึ้นอันนี้มันถูกต้องมันเป็นหลักปใจใัจจัยสัมพันธ์อันถ้าอย่างนี้แล้วเราไม่น่ารังเกียจ ปัญหาก็คือประโยชน์ตนเนี่ยคนไม่รู้จักเวลานี้คนเนี่ยประพฤติการที่เบียดเบียนตนแล้วเข้าใจไปว่าทําประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาแก่สังคมแก่ชีวิตเพรา ะ, พระ พ, ระพระพุทธเจ้าก็ตรัสขั้นต้นก็บอกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเน่ทั้งคู่เลยแล้วต่อไปก็มาสู่หลักที่ว่าทําเพื่อประโยชน์ตนทําเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม หลักพุทธศาสนาเนี่ยเรามีวิธีพูดในหลายอย่างเช่นจะถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรตอบแบบหนึ่งก็ตอบแค่นี้พุทธศาสนาคือคําสอนให้ทําเพื่อประโยชน์ตนและทําเพื่อประโยชน์ผู้อื่นถ้าเราทำไปอย่างนี้ไปบรรจบกันที่สุดก็ก็ประโยชน์ตนจบก็บรรลุนิพพานใช่ไหมและประโยชน์ผู้อื่นก็จะทําได้เต็มที่ก็ทําการพืิโลกภูชนะสุขายิตายะภูชนะสุขายะโลกานุ ก, กรรมปายะ นี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อาศัยการพัฒนาของเราเนี่ยที่เรื่องศีลสมาธิปัญญาและประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็สัมพันธ์โยงกันไปตลอดเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยน่าจะมาเน้นเรื่องนี้กันให้เข้าใจให้ถูกต้องปัญหามันมีตั้งแต่เนี่ยแนวคิดมันไม่ถูกมันไม่มีสมาธิิฐอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่เหมือนกันคนมีแต่มีมิจฉาทิฏฐิแม้แต่เรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นเราจะปฏิบัติได้ถูกยังไงมันก็ยิ่งยุ่งใหญ่ ปัญหาก็ยิ่งมากเพิ่มพูดยิ่งขึ้นมาและเวลานี้คนก็นึกว่าเออในที่สุดแล้วฉันมีสิทธิเสรีภาพก็หาประโยชน์ตนไอ้คำว่าประโยชน์ตนที่เขาหาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องการที่จะเสพจะบริโภคใช่หมหาความสุขสวนตนบำรุงบำาเรอซึ่งมันไม่ได้เข้าไปเกิดความเจริญพัฒนาในเนื้อตัวของชีวิตเลยแต่มันกลับเวียดเวียนให้สาระของชีวิตนั้นหมด ส, สิ้นไปเสื่อมไป แล้วก็คือเขาเนี่ยใช้สิทธิเท็จเสรีภาพเพื่อทํำลายตัวเองเพื่อเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนสังคมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ไปด้วยมันก็เลยเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานนั้นชาวพุทธเราเนี่ต้องมาทําความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยให้ถูกต้องวันนี้ธรรมาคิดว่าเอาแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องประโยชน์ตนประโยช น, ยชน์ผู้อื่นนี่ก็เป็นหลักการใหญ่ที่สําคัญและแล้วก็ไปโยงกับหลักที่ว่าเมื่อกี้ บอกว่าหลักพุทธศาสนานั้นก็เราทุกคนแต่ละคนนี่ชีวิตแต่ละบุคคลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายจุดหมายหรืออุดมการณ์ก็คือนิพพานเราก็ปฏิบัติไปขัดเกลาวพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติศีนสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเราก็ลดความยึดมั่นในตัวตนลงไปเนี่ยเราก็นิพพานใกล้นิพพานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเราก็มีความสุขมากขึ้นซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องหา เป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อผู้อื่นอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครมันก็เลยคล้องจองกันเราก็พัฒนาตัวเองไปใกล้นิพพานเข้าไปเราก็ยิ่งทําการเพื่อโลกได้มากขึ้นนพระอุจนะอิตายะพระุจนะสุขายะโลกาโนกาปายะก็ยิ่งใกล้ความจริงไปพอบรรจบสมบูรณ์บุคคลนิพพานก็ทําการเพื่อโลกโดยสมบูรณ์เหมือนกันอันเนี้ยในพระโพธิสัตว์ที่ท่าน มาบำเพ็ญบารมีก็คือการบำเพ็ญไตรสิกขานั่นแหละให้บริบูรณ์เพื่อให้ท่านบรรลุประโยชน์ตนก็คือนิพพานได้และท่านจะได้ไม่ต้องมีกังวลแม้แต่กับตัวเองท่านจะได้ทําการเพื่อโลกได้เต็มที่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ญาติโยมควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์คือพระโพธิสัตว์ที่ท่านทําความดีด้วยมีปณิธาน คือตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแ น, แนว่าจะบรรลุโพธิญาณก็คือพัฒนาตนให้ได้บรรลุประโยชน์สูงสุดและท่านก็พัฒนาตัวเองแต่ท่านยังมีกิจต้องทำเพื่อตัวอยู่แล้วแต่ว่าท่านอาจจะทําความดีชนิดที่เรียกว่าคนทั่วไปทําไม่ได้โดยความเสียสละอย่างยิ่งสละชีวิตเพื่อความดีนั้นก็ได้นี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์แต่ว่าเพราะท่านมีปัญญาไม่บริบูรณ์ เพราะตอนนี้ท่านยังอยู่ในระหว่างที่บําเพ็ญบารมีนี่ก็คือพัฒนาตัวเองท่านทําความดีไปแล้วก็พัฒนาปัญญาไปเพื่อให้เป็นโพธิญาณตอนนี้ปัญญาก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ท่านก็ยังรู้ไม่เขา้าใจชัดเจนเพียงพอเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นี่อาจจะทําความดีตามที่โลกนิยมแต่ยังไม่ใช่ความดีที่แท้ที่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นให้ไปดูเรื่องพระโ พ, พธิสัตว์ในชาดกเนี่ย เรื่องความดีของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นความดีแบบปุถุชนนะแต่ท่านทําได้ดีกว่าปุถุชนใดๆทั้งสิ้ น, นมีกําลังมีความเพียรมีความเสียสละที่จะทํามีความเด็ดเดี่ยวเต็มที่เลยยุคนั้นเขานิยมว่าไปพรหมโลกได้ฌานได้สมาบัติแล้วก็สูงสุดท่านก็เพียรพยายามจนกระทั่งบรรลุฌานสมาบัติใช่ไหมได้อภิญญา นั่นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็หลายชาติก็จะจบลงด้วยบรรลุอภิญญาได้ฌานสมาบัติสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยก็ความดีของพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้อย่างนี้ตามที่ปัญญาท่านมีใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยปัญญาของโพธิสัตว์ก็ทําเท่าที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็คือว่าได้มีปัญญาที่สว่างแจ้งรู้เข้าใจ อะไรเป็นประโยชน์ตนที่แท้อะไรเป็นประโยชน์ผู้อื่นที่แท้จริงแล้วแล้วปฏิบัติถูกต้องอีกทีหนึ่งอ้าวก็เลยพูดไปก็เปน็นว่าที่จริงก็ควรจะจบได้แล้วก็คือเป็นเรื่องของอุดมการสองอย่างที่ชาวพุทธจะต้องบรรจบกันให้ได้บางทีเราไปพูดคนละทีบรรจบกันไม่ได้แล้วไม่เข้าใจบางทีบางคนไปเห็นว่านิพานเป็นเรื่องเห็นกับตัวไปที่จริงมันตรงข้ามเลยคือดับความเห็นกับตัวใช่ไหมนิพานน่ะ ดับความเห็นกับตัวในนิพพานแต่ว่ามันกลายเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ตนจนกระทั่งประโยชน์ตนนั้นสูงสุดบรรลุเต็มที่แหละก็เลยอย่างที่ว่าพอเป็นพระอาหารหันต์ก็อนุ ป, ปัตตะสะทัทโธผู้มีประโยชน์ตนอันบรรลุแล้วโดยลําดับบรรลุแล้วโดยลําดับก็คือท่านบําเพ็ญเพียรมาพัฒนาตนไปด้วยไรศขาก็จะเลยขึ้นไปเรื่อยบรรลุประโยชน์ตนก็คือได้หมดกิเลสและความทุกข์บรรลุนิพพาน พอรุนิพพานทั้งหมดความยึดมั่นในตัวตนใช่ไหมปลยความเห็นกับตนแล้วก็ทําเพื่อโลกได้เต็มที่มันก็ชอบกนมันกลับไปกลับมามันประสานกันนะ่ะมันก็กลับมาหนุนซึ่งกันและกันสรุปอีกทีนะึงว่าบุคคลนิพพานแล้วก็ทําการเพื่อโลกนิยุดมคติของพุทธศาสนาสองด้านมาบรรจบ ก, กันแล้วก็เห็นได้ในชีวิตพระอรหันต์ที่แท้นะที่ถูกต้อง ก็คิดว่าได้พูดมานานแล้วก hike, ็หลวงพ่อพุทธทาติทันได้ทางานอะไรแต่ไรเนี่ยก็อยู่ในคตินี้นั่นเองท่านก็พยายามจะสอนหนักหนาว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นทำอย่างไรก็หาหลักหาคําสอนอะไรแต่ไรมาชี้แจงให้รู้เข้าใจจะกระทาให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ให้คนเนี่ยหมดความเห็นกับตัวท่านก็เน้นเรื่อยเนี่เรื่องความไม่เห็นกับตัวและอีกด้านหนึ่งก็ท่านก็ ตัวเองท่านก็นทําการเพื่อชาวโลกโดยที่ว่าเน้นจุดหมายที่สัมพันธ์กับยุคสมัยด้วยแล้วก็จุดหมายที่มันเป็นเรื่องกลางของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ขึ้นแต่ยุคสมัยคือมนุษย์ทุกคนที่ว่าจะบรรลุนิพพานแต่ว่าแต่ละคนก็อยู่ในสภาพแวดล้อมของยุคสมัยนั้นท่านก็นจะต้องมาเน้นว่าในยุคสมัยนี้เออมันมีปัญหาอย่างนี้เช่นปัญหาการเสพบริโภคบริโภคนิยมจะทําไงกับมัน นะปัญหาเรื่องการปกครองปัญหาเรื่องการศึกษาจะเห็นว่าท่านเอาใจใส่หมดนะเรื่องการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องศีลธร ร, รมทั่วๆไปเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องตุลาการเรื่องอะไรท่านก็เอาใจใส่หมดเพราะว่ามันเป็นสภาพของยุคสมัยที่เป็นอยู่ในการที่จะนํำอธรรมมาสื่อให้เข้าสู่ความเป็นจรงิงที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็นํา ม, มาสั่งสอนว่าพื้นปฏิบัติกันเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองอย่างเนี้ย รธรรมะและที่แท้จริงมันก็เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ความเป็นมนุษย์จะมีให้ได้ซึ่งเป็นของกลางที่มีอยู่ในยุคทุกยุคทุกสมัยพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนี้บรรลุสําเร็จได้ก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องในท่ามกลางยุคสมัยนั้นปฏิบัติต่อยุคสมัยให้ถูกต้องและก็ในเรื่องของยุคสมัยนี้ก็ได้อย่างที่เคยพูดว่าหลวงพ่อพุทธทาสในท่านมาอยู่ในยุคสมัยที่ ปัญหามันกําลังเกิดขึ้นมากเช่นปัญหาเรื่องการประทะกัน ร, ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมภายนอกอารยธรรมตะวันออกอารยธรรมตะวันตกแล้วก็เรื่องของเมืองไทยเองที่ว่าในการประทะทางอารยธรรมทางวัฒนธรรมนั้นคนไทยเองก็ได้หันไปตื่นไปจะเรียกว่าเห่อก็ได้วัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็ลืมตัวเองแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องตัวเอง การศึกษาพุทธศาสนาก็เสื่อมทรามลงไปจนกระทั่งคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เข้าใจพุทธศาสนาความรู้เข้าใจพุทธศาสนาก็ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปมากมายแล้วก็กลายเป็นเรื่องของความหลงงมงายเรื่องของการตื่นแต่เรื่องลิตปาติหารเรื่องการหวังผลดลบรรดานเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ท่านพบมาและมันก็มีอยู่แก่ทัางปัจจุบันเนี่ยแล้วท่านก็นพยายามที่จะแก้ไขปลุกกันให้ตื่นเไฉนะนั้นหลวงพ่อ พุทธท่านนี่งานของท่านอย่างหนึ่งก็จะเรียกได้ไว่าเป็นงานปลุกงานปลุกชาวบ้านปลุกก็เป็นเรื่องของการทําให้ตื่นทําให้ตื่นก็เป็นเรื่องของการเกิดปัญญาใช่ไหมเกิดปัญญารู้เข้าใจเพราะฉะนั้นงานของท่านนี้ก็เลยหลายคนก็จะมองว่าโอ้ท่านเด่นทางด้านปัญญาที่จริงท่านก็ครบแหละทั้งใจศึกขาศีสมาธิปัญญาแต่ว่าก็จะเห็นว่างานของท่านเหมือนกับว่ามาเด่นทางปัญญาเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยศึกษาไม่เคยเข้าใจเข้าใจผิดพลาด อะไรกันมากไปนับถือสิ่งที่ผิดท่านก็มาพูดจี้พูดชี้ในเรื่องเหล่านี้ก็เลยเด่นมาทางด้านปัญญางานของท่านเด่น ด, ด้านนี้แล้วก็ไปจูงใจพวกปัญญาชนหรือบุคคลที่เราเรียกว่าปัญญาชนจนํานวนมากสมัยนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใช้กันแล้วคาว่าปัญญาชนเมื่อสัก 20- 30ปีก่อนเนี่ยคำว่าปัญญาชนเป็นคำที่เกลืทีนี้หลวงพอ่อวัฒนธทามนี่ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทเด่น ในเรื่องของการปลุกในระดับที่ได้ก่อความสนใจในหมู่ปัญญาชนจำนวนมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของท่านนะซึ่งมีผลต่อประเทศชาติสังคมอย่างสำคัญนั่นก็ท่านที่เห็นคุณค่าประโยชน์อันนี้แล้วก็ช่วยกันทำต่อไปแล้วก็ตั้งเจตนาให้สอดคล้องกับท่านซึ่งเป็นหลักการของพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวมาแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เราก็แต่ละคนปฏิบัติตนเพื่อบรรลุนิพพานแล้วทำการเพื่อโลกตามอุดมคติหรืออุดงการที่ว่าผูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกาอนุกรรมปายะจงปฏิบัติบำเพ็ญหรือประกาศทมแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากด้วยเมตตาการุณกแก่ชาวโลกอาจาราพก็ขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่าน ดำเนินการตามบุดมการที่กล่าวนี้ต่อไปก็จะได้สำเริจผลดังที่เราต้องการที่เป็นวัตถุประสงค์หรือจุดหมายของพุทธศาสนานั้นก็ขอทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทั์พรโดยทั่วกันขออนุมโมทนา